ก็ความเจริญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระบูติยานกำลังนำเสนอกระบวนการของปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทก็มาขยายตัณหาค่อนข้างพิสดารเพราะว่าเมื่อเรามองดูภาพต่างๆภายในสังคมโดยเว่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และข่าวคร า, าวทางสื่อสารต่างๆ ก็จะเห็นกระแสของตัณหาที่เป็นไปค่อนข้างรุนแรงจนนำไปสู่อัจยกรรมนำไปสู่การแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาที่พร้อมจะยกพวกก็ห้ำหั่นกันแล้วก็ทำลายล้างในขณะเดียวกันโลกเราเนี่ยมันใกล้ชิดถึงกันตามกระแสของโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อมูลข่าวสาร แต่เราถึงเศรษฐกิจสังคมแ่ะเราสังเกตว่ากระทบปัญหาน้ำมันทีเดียวก็กระเทือนไปทั่วโลกละแล้วถ้าเผื่อว่าใครเกิดโรคราข้าวควันกันดีก็กระเทือนไปทั่วโลก แ, ลแล ร, ก ร, รกน น, น, แนี้ไม่มีอะไรที่ไม่กระเทือนแรงคือทั้งบวกทั้งลบนะแต่ว่าการบวกนั้นมันไม่ได้อยู่ภายใต้กระแสงปัญหา ที่ควบคุมไม่ได้มันคงเป็นตัญหาอยู่นั่นแหละแต่ว่าควบคุมได้พอควบคุมได้ผลต่างๆมันก็ออกมาในแนวบวกคือแนวสร้างสรรค์พัฒนาแต่ที่เน้นเนี่ยคือเน้นในแนวที่มันคุมไม่ได้คือมากเกินไปเพราะระดับสินธำยานยาอย่างไงย่งไงมันก็ต้องมีตัญหาเพราะว่าในความเป็นตัญหานั้นมันมีธรรมตัญหาอยู่ด้วย คือความพอใจติดใจเพลิดเพลินในความดีงามทั้งหลายเนี่ยสมหรับคนแล้วคนสามัญก็ส่วนมากมันก็มีตัณหาอยู่ใกล้ๆการรับประทานอาหารเนี่ยนะคือพระเจ้าท่านรับประทานโดยไม่มีตัณหาแต่เราเองเนี่ยพอรับประทา น, นยังไงมันก็ต้องมีตัณหาผลอยูเติมนั่นนิดเติมนี้หน่อย รู้สึกพอใจไม่พอใจในอาหารที่กำลังรับประทานเราก็แสดงอาการของตัณหาที่ยังมีอยู่ภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจทีนี้ในกระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการในชีวิตประจาวันคือหมายความมาเริ่มขึ้นมาจากประสาทสัมผัสตาเห็นรูปเป็นต้นเนี่ยตรงนี้ก็อญญายตนะภายในมาพบกับอญญายตนะภายนอกเรียบประจวบ ก, กัน คือหมายความวาตาเห็นรูปเป็นต้นเนี่ยจะเรียกว่าประจูบกันเรื่องมาพบกันเรื่องมาเจอกันหรือสัมผัสกันก็นกได้นะเราก็เรียกว่าวิญญาณแต่วิญญาณในห่วงของปฏิจจสมบาตนั้นท่านไม่พูดเพราะวิญญาณในช่วงนี้เ็เรียกว่าเป็นวิถีวิญญาณคือวิญญาณที่ทำหนะ้าที่รู้รับอารมณ์ที่ผ่านมาตามภาษาสมถะ วีนี้จากการที่มียตนาภายในภายนอกวิญญาณมันก็เกิดเป็นการสัมผัสคือการกระทบกันทางยตนาภายในภายนอกก็เป็นการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอกระทบแล้วตามปกติเนี่ยเราจะถ้าเราไม่เคยกระทบมาเลยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมันจะมีอวิชชาเกีค่ความไม่รู้แต่ถ้า แต่สิ่งที่เราเคยกระทบมาเคยได้รับคุณรับทโทษของสิ่งเหล่านั้นมามันจะออกมาเป็นเวทนาคือสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขเอาตัวใหญ่ๆนะฮแล้วจากนั้นมจะเป็นตัญหาคือทุกข์ก็เป็นตัญหาในประเภทวิพาตัญหาสุขก็เป็นประเภทของการมาปัญหาเพราะว่าปัญหาทุกข์ก็มาสุข มันก็ดูแล้วก็พร้อมจะแกว้งนะ่ะคือจะดูให้ดีเพราะจะแกว้งไปทางการมมรรคานาหรือประวติา น, นาแต่การมันไม่ปรากฏเด่นชัดเท่านั้นเองทีนี้จากปัญหานี้ก่อให้เกิดการยึดยก็ได้อุปาทานเป็นกระบวนการต่อเ น, นื่องนะเห็นรูปแป๊บเดียวมันก็เป็นหมดทั้งกระบวนการแล้วก็เกิดมาเป็นครบขึ้นมาแทีนี้อุปาทานเนี่ย แปลว่าการที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตามแรงผักดันของกิเลสอาจจะเป็นอะไร่ะตัณหาก็ได้อาจจะเป็นมานะก็ได้อาจจะเป็นทิฏฐิก็ได้เวลาท่านแยกในนามก็อุปาทานนะเราจะปวดสังเกตว่าแยกในนามอุปาทานจะแยกเป็นสี่แยกในนามยาณาจะแยกเป็นสามบางทีก็แยกในนามโอคะแต่วงน้มคือกิเลส ก็แยกเป็นสี่ก็แล้วแต่นะคือจะสามหรือสี่หรือแม้แต่ถึงสิบสิบกว่าก็ตามตลอดถึงพูดเป็นร้อยแปดกิเลสพันห้าตนาร้อยแปดก็ตามมันก็ไม่อื่นไปจากโลกโกตรงเพียงแต่ว่าจำนวนยิ่งมากเนี่ยกรอบมันยิ่งแคบเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านั้นก็จะแคบเข้า อุปทานจึงมีอยู่สี่เกียการมุปาทานถือมั่นโดยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ก็แสดงว่าภายในใจเราต้องมีความรู้สึกใคร่พอใจยินดีกำนัดเพลิดเพลินต้องการสยบติดก็แล้วแต่ว่าลึกซึ้งขนาดไหนต่อสิ่งเราดันความใคร่มันก็ออกมาในอารมณ์อดีต มีความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมหมยหาอะไรกับอารมณ์ดีความรื่นเพลิดเพลินชื่นชมยินดีกับอารมณ์ในปัจจุบันการควายคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อครอบครองในอนาคตแล้วก็ยึดหมดคือบางทีมันก็กลายเป็นเป็นโลกของจินตนาการคือสร้างสร้างฝันคื อ, อยังเรีกว่าพวกที่เขียนนวนิยาย แบบการประพันธ์เรื่องเนี่ยก็ยังนึกว่าอยากจะทดลองเขียนสักเรื่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้อ่านนวนิยายมันนานแล้ว น, นึกรูปร่างมันไม่เคยออกกอยังนึกว่าเป็นแนวของของความฝันเป็นจินตนาการเป็นลักษณะของวิตกจริตกับโมหจริตเนี่ยก็ยน่าจะเขียนนวนิยายได้ดีแต่ว่า สมเอิสมผลหรือไม่นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือท่านเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งท่านนั่งฝันอยู่อยู่ในที่นั่งเดียวนะแต่ว่าต่เราคิดตรงเวลาที่ท่านฝันตรงนั้นมันคงจะหลายปีคือใจความโดยสรุปว่าท่านเป็นหลานของพระสังฆราชิดและสังฆราินั้นท่านเป็นพระอระหันต์แล้วภิกษุรูปนี้เป็นหลานชายกับเป็นลูกน้องสาว ก็มาบวชอยู่ก็ท่านต่อมาเธอมีคนถวายผ้าขาวถือแปดศอกก็ถือว่ายาวนะเอาทำสบงกี่วอนได้เธอต้องการจะทำบุญโดยขอถวายลงลงุงซึ่งไปดนุปราช ญ, ญาตด้วยประสังกรบเลขาท่านเป็นพระอาหา ร, ท, าารนะ ท, าท่านไม่ต้องการ ท, ากากท่านมีแล้วท่านก็ไม่ต้องการแต่บอกคุณเก็บไว้ใช้เถอะท่านมีแล้ว เธอก็พยายามอ้อนวอนท่านก็พฏิรักษ์ก็ไม่รับท่านก็นึกน้อยใจเสียใจนะแต่ว่าหน้าที่ของพระที่เป็นเป็นกุศลที่บริกอันเทวาสิกวตามเวลาจาย์กลับมาจากข้างนอกมานั่งฤๅษีจะต้องไปอุปทานดูลแลเอาเจใจใส่แล้วก็พัดวีให้ส่วนในขณะที่เธอกำลังนั่งพัดอยู่เนี่ยความคิดเธอกไปเลย ไปกันใหญ่ไปสู่เขาเรียกว่า อ, น า, าอา น, นาคตารมณ์อารมณ์ในอนาคตนะครับปรุงปรุงคิดคิดปรุงแต่ว่าโครงสร้างความคิดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ท่านเคยสัมผัส น, นั่นแหละแต่ท่านท่านคิดเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในอนาคตแต่ท่านก็คิดว่าแสดงว่าหลวงลุงไม่เมตตาต่อเราก่อนจะบวชท่านก็เป็น พี่ชายของแม่เราท่านก็เป็นลุงของเร า, เราบวชมาแล้วท่านก็เป็นอุปชาญาเราก็เป็นสติวริชแต่ว่าท่านก็มายอมสงเคราะห์เราแสดงว่าท่านก็แตกแกกเราและท่านไม่เมตตาเราให้ อ, อย่าอยู่รู้สึกดีกว่าพอสึกตั้งก็ตั้งปัญหาเออสึกนี้จะทาอะไรกินเพราะว่าตอนนี้ก็แม่ก็ตายแล้วก็คิดว่าจะไปขายผ้าผืนนี้ ให้เราสังเกตุมันคิดด้วยอำนาจของกามแล้วท่านก็ไม่ได้คิดถึงเหตุผลตรงอื่นคือท่านคิดอยู่มุมเดียวท่านคิดจะศึกแต่นั้นเองขายผ้า่ขายผ้ า, าแล้วก็ศึกไปก็ซื้อแพะมาคู่หนึ่งมาเลี้ยงแพะก็โตมันก็ออกลูกกรีดนมแพะขายบ้างมาเลี้ยงลูกแพะขายบ้างก็โตฐานะก็ดีขึ้นจนถึงจุดหนึ่งนะฮะก็ซื้อวัวตัวผู้ตัวเมีย ม, มาเลี้ยง แล้วก็รีด น, นมวัวขายขายลูกวัวแพร์พันทั้งวัวทั้งแพะเป็นฝูงเลยทีนี้แล้วก็มีฐานะทางครอบครัวดีขึ้นก็เลยก็ไปขอนางพรามณีคนหนึ่งมาเป็นภรรยาแต่งงานมีบ้านมีช่อมีหลักมีฐานแล้วร่ำรวยแล้วก็ต่อมาก็ได้ลูกชายคนหนึ่ง ตอนนี้ก็เริ่มนึกขึ้นนึกถึงลวงลุงเลยเพราะเรื่องมันนานเนี่ก็เลยก็ต้องการจะลูกชายนี่ไปเข้าไปพบไปเยี่ยมหลวงลงุงไปไหว้หลวงลงุงแล้วก็ให้ชื่อลูกชายว่าสังกัจิตเอาชื่อหลวงลุงมาชื่อเลยก็ในขณะที่ขับเกวียน ร, รวยแล้วนะตอนนั้นคิดจนรวยแหละตัวเองมีเกวียนแล้วนั่งขับเกวียนเมียก็อยู่ใน ที่เกวียนที่ทุบเกวียนตัวเองก็นั่งขับไปข้างหน้าก็นัดอยากจะอุ้มลูกก็ส่งให้เมียช่วยส่งลูกมาให้อุ้มเมียก็ไม่ส่งมาให้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาแกก็โกรธเมียก็เลยเอาลูกโยนลงไปไปชดเลยลงข้างล่างถูกล้อเกวียนทับลูกตายเกลียดโกรธสุดขีดเลยปีหัวเลย ทั้งหมดเป็นความคิดอ่ะเพราะนั่นก็ตีหัวก็คือตีเอาพัดตีหัวหลวงอุปชายาณ์นั่นเองในตรงนั้นพระสังฆราชท่านกําหนดจิต ด, ดูท่านก็รู้นะว่าท่านเป็นเพราะท่านเป็นราหารันท่านก็บอกเออสังฆราชขิดเธอจะตีหัวผู้หญิงนี่เรียกว่ามาตุกคามนะฮะจะตีหัวมาตุกคามตีไม่ได้แล้วมาตีหัวตากาหลวงตแกาอย่างเราจะไม่เธอก็ตกใจวิ่งหนี นี่ก็เป็นตัวอย่างว่าบางทีนี่มันไปตเตลิดนะอารมณ์ที่ไปคิดเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันนะแล้วอย่างนี้ว่พวกเราเนี้ถ้าก็คุมทิศทางให้ดีมีเหตุมีผลเนี่ยมันน่าเขียนอนอธิยายนะพวกนักฝันทั้งหลายเนะี่ยแต่ก็สรุปว่านั้นก็คือการไปตกสึกนึกเหนี่ยวนึกเรื่องำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตัวใคร่แล้วก็ยึดติดยึดติดด้วยอำนาจความใคร่พอยึดติดด้วยอำนาจความใคร่ยมันก็เป็นปัญหา คือจะมีความทุกข์มีความมิตกกังวลมีความหวงใหญ่กลัวไม่ได้ในขณะที่แสวงหานี่กลัวจะไม่ได้ได้แล้วกลัวจะไม่ดีดีแล้วกลัวจะดีน้อยกว่าคนอื่นในขณะที่ถือครองครอบครองอยู่ก็กลัวว่าเออ่จะเป็นอันตรายคนอื่นจะมายื้อแจ้งจะมาชกชิงไปสิ่งเหล่านั้นจะแตกทําลายไปมันก็มีแต่ความทุกข์ติดตามมาแลาวในการยึดมัน่นถือมั่นในแนวเนี่ พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็นำไปสู่การต่อสู้ยื้อแย่งปรากาะหันกันเพราะอะไรเพราะว่าของที่คนอยากได้เนี่ยจำนวนจำกัดแต่ความอยากมันไม่จำกัดพอถึงจุดหนึ่งความอยากก็ล้้าเส้นแล้วต่อยากได้ล้ำเส้นของคนอื่ น, น, นก็ยุ่งไนงะเอากระดาษอยากได้สามีคนอื่นอยากได้พันยามคนอื่นเนี่ยกลายเป็นศึกสงครามรามาเกียรกันเลยนะ นี้เรียกการมุปาทานคือถือมั่นเริ่มนาของความใครก็มีความรู้สึกเป็นของเรามีความรู้สึกเป็นของเราแต่พร้อมจะพลิกอีกด้านหนึ่งนะคือหมายความว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเป็นเพื่อนของเราเป็นมิตรของเราสามีพันยาของเราลูกของเราหลานของเราอะไรต่างๆมันก็เป็นสัตวูของเราด้วยนะฮะเป็นทรัพย์สินงของสัตวูเราด้วยเป็นพวกของศัตวูเราด้วย วันจิตมันก็พร้อมจะวิ่งไปทั้งโลภะแล้วก็ทั้งโทสะทั้งความเพลิดเพลินและทั้งความทุกข์โทมนั้นประการต่อไปเขาเรียกว่าทิฏฐุปาทานคื อ, อมั่นดลบนาทิฏฐิในที่นี้เน้นไปที่ความเห็นนะเน้นไปที่ตัวความเห็นคือแต่มันมาจากรากตรงโ น, โน้นนะะมาจากรากของความเห็นที่เกี่ยวกับสังสารวัฏ คือโลกเชี่ยนกับโลกขาดศูนย์ก็เรียกว่าสัตตะทิฏฐิกูจเจตทิฏฐิเป็นการมองชีวิตหลังตายว่าคนเราตายไปแล้วตายจากอะไรก็เกิดเป็นอย่างนั้นหรือว่ามีการแปลผันโปรขาดศูนย์ก็ถือว่าขาดศูนย์หมดหรือขาดศูนย์บางสิ่งแล้วก็ไปมีความยึดติดในเรื่องของกรรมหือการกระทาต่างๆเนี่ย ปัญหาใหญ่นะจนในโบราณเ น, นี่ยท่านพูดว่าชาวบ้านทะเลาะ ก, กันเพราะกลางบรรพชิตเนี่ยนักบวชเนี่ยทะเลาะ ก, กันเพราะทิฏฐิคือความเห็นโดยเราลืมมองไปว่าคนที่ทะเลาะ ก, กันคนที่เถียงกันโง่บกพร่องกันนั่นแหละเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่ารู้จริงแล้วเนี่ยเขาไม่เถียงในโลกนี้ไม่มีคนรู้จริงก็ไม่เถียง เช่นสมูดตรสมมุว่าเรื่องเหล่านั้นน่มันตรงกันเช่นเราบอกว่ามันนาวเปรี้ยวเราบอกว่าเกลือเค็มบอกว่าน้ำตาลหวานบอกว่าไฟร้อนบอกว่าน้ำแข็งเย็นเนี่ยไม่มีใครเถียงเห็นไหมแสดงให้เห็นว่าอะไรก็าตามถ้าเรารู้จริงคนจะไม่เถียงกันทางการที่เถียงนี่แสดงถึงรู้ไม่จริงและรู้ไม่จริงทั้งสองฝ่าย เพราะถ้าฝ่ายหนึ่งเขารู้จริงเนี่ยเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยมพยายามทำความเข้าใจก็ไม่พูด่ก็จบคือบางทีนิ่งกว่าพูดนิ่งดีกว่าพูดอย่างที่โบราณท่านบอกเอาไว้ว่าพูดไปสองไปเบีย้ยนิ่งเถียรนิ่งเถียรแต่มึงท้องก็ไม่พูดสะดีกว่านั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าจิตใจของคนเราเนี่ยถ้ามีทิฏฐิ ความเห็นผิดอย่างไดอย่างหนึ่งแม้เพียงอย่างเดียวนะแม้เพียงอย่างเดียวและบางทีอาจจะเป็นความเห็นที่ชอบแต่มันจะขาดเมตตาธรรมขาดจะขาดการประนีประนอมขาดการประสานประโยชน์ขาดการทำความเข้าใจต่อวุ ธ, ธิภาวะของคนอื่นเช่นสมมติว่าอย่างเนี้จนบางทีเราก็โจมตีคนไทยเราที่ ไปนั่งขู่ต้นไม้บ้างไปไหว้กอกกล้วยที่หักออกปลีกลางกอบ้างไปห้ให้ไปไห ว, ว้โคสะห้าขาบ้างอะไรแต่ไรนี่ยนะต้องการหัวต้องการเบอร์ตลอดถึงการโ อ, โอลิมปิกเรลองสังเกตนะข่าวขาวโอลิมปิกนีคือพ่อแม่ของนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านชาวบ้านแล้วถามเถอบนทั้งนั้นเนี่ย คนบานสารกล่าวทั้งนั้นขอให้สิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์ไปช่วยอะไรแต่ไหนแกไม่ได้คิดอะ่ะแกไม่ได้คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะต่อยมวยเป็นหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปยกน้ําหนักเป็นหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเล่นว่ายน้ําเป็นหรือเปล่าเนี่ยแกไม่ได้คิดอะ่ะแต่นั่นคือขวัญคือกำลังใจคือความเชื่อมั่นของแกแล้วเวลาแกบนไปแล้วเนี่ยมันจะสําเร็จพราะบนหรือไม่บนไม่รู้ แต่พอดีมันก็เป็นไปตาม ท, ที่ตามที่เก็บบนไว้เจวาต้องการให้ลูกแกซึ่งเป็นนักมวยต่อยชนะได้เหรียญทองแล้วมันเกิดได้อ่ะแล้วจะทำไงมันก็เป็นความมีเห็นว่าที่ได้เนี่ยก็เจ้าพ่อช่วยเจ้าพ่อช่วยก็ต้องไปบูชาเขเรียกว่าอะไรนะไปแก้บนนะฮะไปแก้บนในสะิ่งเหลนั้นแล้วนะคนที่รู้เห็นเนี่ยมันก็เชื่อตามเชื่อตามก็บนเงินต่อ เป็นวุฒิภาวะของเขาซึ่งเราต้องมองเขาด้วยความเข้าใจเลยเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองแต่เมื่อเติบโ ต, ต, ต, ตขึ้นในด้านจิตวิญญาณ เ, เขาเลิกเองและเราไม่ต้องไปยุ่ ง, ขงเขาหรอกทีนี้ปัญหาบางทีเนี่ยเราไปอะไรละ่ะคือไปเล่งผลเลิศมากเกินไปปัญหาในสังคมพุทธเนี่ยปัญหาที่บางทีก็ตลกเลยนะ่เอ็นดูอะ พระเองก็เล็งผลเลิกโยมมากเกินไปโยมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นงนั้นโยมเองก็เล่งผลเลิกกับพระมากเกินไปพระบวชปับ๊บต้องเปิดปุ๊บปิดปั๊บเลยต้องดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพอไม่เต็นอย่างที่เราเล่งผลเลิกเนี่ยเราจะเกิดโทสะแล้วเกิดดูถูกดูหมิ่นเข้าด้วยนะบางทีโง่งงายไายเหตุผลอะไรแต่ใช้คําอ่ะ ทำอย่างนั้นมันไม่มีเมตตาธรรมใช้คํากับคนนะ่ะเขาอย่างนั้นนะ่ะไม่มีเมตตาธรรมโลกมันไม่ได้มาวันสงวันนะมันมากันอย่างงี้นะเพราะนการทิฏฐิบางอย่างเนี่ยท่านจึงไม่ถือว่าเป็นมรคาวนเป็นไม่ใช่เป็นสักาวรคือไม่ห้ามสวรรค์หมายความคุณเห็นอย่างนี้คุณก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเห็นไปซะนะเช่นเช่นแกไปเชื่อ เครื่องรางของครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ้าปิดเจ็ดพิษสมอนอ่ะแล้วก็ไม่ไปทําอย่างนั้นอย่างนี้กลัวว่าสิ่งเหล่านั้นจะเสื่อมอะไรแต่ไรนี่นะเราจะเห็นว่าอย่างทหารทหารเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยบางทีแกไม่มีเครื่องรางของขลังอะไรแกชายพานุ่งแม่แกโคกหัวไปเลยแล้วแกก็รอดปลอดภัยมาแค่ค้อขลักแม่แก เครพ่ถูกถูดแม่แกแม่แกป้องกันภัยป้องกัน อ, อันตรายความกตัญญูกตวเวทีก็เพิ่มปูนขึ้นจริงไม่จริงก็สร้างกับอะไรกันมันไม่ใช่เหตุผลคือบางทีเนี่ยจริงๆเรื่องความเห็นเนี่ยมันไม่ใช่จริงหรือไม่จริงเราอย่าไปเล่งผลเลยว่าต้องจริงร้อยเปอร์เซ็นตบางทีมันไม่จําเป็นต้องจริงแต่ว่าถืออย่างนี้คิดอย่างนี้ได้ประโยชน์อะไรนะอย่างความเห็นเรื่อง แม่ประคองขาแม่ประทณีแม่ประโพศพเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรนี้เจ้าที่จะทางอะไรอะไรต่างๆดี ท, ท, ที่ที่ปู่ย่าตายายเราเชื่อถือเชื่อถือกันทั่วโลกอ่นะมันมีหรือไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทอยละเว้นความชั่วโปรดความดีหรือไม่เขาจากการเชื่อถืออย่างนี้เขาก็มีการอนุรักษ์แม่น้ำไม่ทําการกระทําย่ยํายีต่อแม่ประคองขา มีหรือไม่มีไม่รู้แต่มันดีอเห็นไหมเราไม่ไปต้องไปไปวินิจฉัยประเด็นว่ามีหรือไม่มีแล้วไม่ต้องไปคิดว่าจริงหรือไม่จริงคิดว่าตรงเนี้ยได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าเช่นสมมติว่าเราขู่เด็กไม่เรียนหนังสื อ, อไปเดียวตุ๊กแกจะมากินดับสมมติว่าอย่างงั้นแล้วก็เด็กก็เชื่อ แดีวแกก็กลัวทุกแกจะกินตับเลยขยันเรียนหนังสือพอโตขึ้นมาแกรู้เองอะ่ะแกรู้เองนั่นคือวิธีที่พู้หลักผู้ใหญ่ท่านครูมันเป็นธรรมชาติในการฝึกคนทิฏฐิเราสังเกตว่ามิจฉาทิฏฐินี่ยมันจะมีระดับหนึ่งก็เรียกว่าห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเนี่ยอย่าหนึ่งไม่ห้ามสวรรค์เนาะไม่ถึงจะตกนรกแต่ว่าไปนิพพานไม่ได้ นะเช่นผู้ถือว่าขาดศูนย์เลยเนี่ยะมันก็ไปนิพพานไม่ได้ผู้ดีเที่ยงเนี่ยก็ไม่ได้นะพว้ที่ถือว่าคนเราตายจากจากอะไรแล้วเกิดเป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแกจะไม่ทําความดีก็ถือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันเหมือนกับบอกโอ้ยขยนันไม่ขยนันก็สอบได้เหมือนกันสมมติว่าครูบอกนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนักเรียนจะเรียนหรือไม่เรียนไม่เป็นไรนะ เรียกสอบได้ทุกคนนั่นแหละมันจะมีคนขี้เกียจเรียนเยอะเลยโดยไม่ได้ใส่ใจสนใจที่จะเรียนเสร็จ แ, แล้วพอสอบครูก็ให้ได้หมดเลยสมมตินะฮะอ๋ว่าคนมันไม่มีแรงผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมผลตะไครไปเกิดความเมตต์ว่าคนรอยตายจากอะไรแล้วก็ไปเกิดเป็นอย่างนั้นไม่มีการตุติแปรผันเนี่ยแกจะใช้ความพยายามไปทำอะไร ความพยายามก็สูงปล่าวั่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาพยายามหรือไม่พยายามมันก็เหมือนกันนะเห็นว่าทิฏฐิบางอย่างจึงเป็นอันตรายมากบางอย่างเป็นอันตรายระดับมรรคผลนิพพานบางอย่างเป็นอันตรายหมดเลยทั้งมรรคผลนิพพานทั้งสวรรค์ทั้งสังสารวัฏเลยแต่เพราะว่าโลกเรามันมาจากวิจชาเรารู้อะไรไม่ตลอดอะ มันส่วนหนึ่งจึงใช้บรรเทาความเห็นผิดด้วยความเชื่อบ้างบรรเทาความเห็นผิดด้วยปัญญาบ้างนะฮะคือด้วยสมาธิที่นั่นแหละเพื่อจะควบคุมวิถีชีวิตของแต่ละคนให้ดำเนินไปด้วยความความเห็นที่ชอบอย่างน้อยก็เรียกว่าเห็นชอบตามทํานองทรองธรรมมีกฎเกณฑ์ในการกากับทิศทางของความเห็น มีมากสำหรับวัดทิศทางว่าอย่างเงี้ยจะถูกต้องอย่างนี้ไม่ถูกต้องเป็นต้นทั้งฟังตั้งไหนแต่ลรลวงพอโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังตั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี